m p สแผ่นที่ส6 M.P.3 สแผ่นนี้ให้กติธรรมเป็นหัวข้อว่าคนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองคือการกระทำบาปต้องเชื่อในการกระทำกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเมื่อเราทำกรรมชั่ว เราจะเป็นผู้เบิกบานมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ในใจของเราเรารู้แก่ใจว่าเราทำไม่ดีเราคิดไม่ดีเราทำไม่ดีเราพูดไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาและทางใจเราจะเป็นผู้เบิกบานจะเป็นผู้ มีความสุขหรือว่าจิตใจของเราจะมีความสุขเรื่นเริงบันเทิงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ทำกรรมที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเขาจะเป็นผู้รับกรรมใจของเขาจะเศร้าหมองใจของเราจะมีระทมทุกข์ในจิตใจเพราะนั้นการที่จะทำกรรมสิ่งไหนควรจะคิดให้ดีควรจะนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างมาเป็นกระจกเงาว่าในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิธฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเนี่ยคิดยังไงคิดถูกคิดยังไงคิดผิดคือคิดถูกคือสัมมาทิฏฐิคิดผิดคือมิจฉาทิฏฐิการที่คิดผิดจะเจริญรุ่งเรือง คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้เหมือนกับเราเขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสืออ่านผิดจําผิดคิดเลขผิดแล้วจะเป็นที่ยอมรับของตอนเองและคู่ขนทั้งหลายทั้งปวงคงเป็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหาว่าพวกเราคิดถูกเขียนถูกคิดถูกคณิตศาสตร์ก็คิดถู ก, นะ ก, ถกมันถูกถูกเขาวม่ได้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้อง ความเห็นถูกต้องนี้จะอยู่ในถ้าทำนองอริยบทใดลอกชนในกลุ่มใดคณะใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าความคิดถูกนั่นคือสัมมาทิฏฐิไอ้คนที่คิดผิดนั้นเป็นมิจฉาทิฐิในเมื่อเราคิดผิดแล้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเมื่อเราคิดถูกแล้วจะเป็นผู้ร่วมจมจิบหาย ก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อเราคิดดีเราจะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราคิดผิดเราจะมีแต่ความเศร้าหมองจะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ยินได้ฟัง MP ็สแผ่นที่36นี้แล้วก็ขอให้พวกเราตั้งจิตแน่วแน่นำ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมนำมาเป็นกระจกเงาพวกเราก็จะเดินไปในทางในทางที่ถูกต้องคิดในทางที่ถูกต้องทำในทางที่ถูกต้องพูดในทางที่ถูกต้องก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นการกล่าวแนะนำา MP3 แผ่นที่36นี้